พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27ทธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าการอิจฉากันเป็นหนทางแห่งความชิบหายพระบิณฑบาตสายหลวงพ่อหกสองค์ที่เชา้า บอกว่ามีอาหารที่จะจัดไปทั้งหมดมีอยู่เจดหรือแปดจุดที่พระฉันก็จัดกระจายกันแต่ดูๆแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสองรอยพระนะในวัดของเราในช่วงนี้ผูใ้ใดเข้ามาตอนย่างเหมือเศราเอาอาหารมาขันมาตอนใบแป๊บสี่โอ้ล่าหนำแข็ง เอามาถวายพระขันพุธได้อยา่างในบุญวะขันพุธใดบ่อยา่างในบุญก็มาซื้ อ, อมาเจโลมากระไรมากินก๋วยเตี๋ยวมากินตำมะฮงก็พ่อขันพุธได้อยา่างในบุญก็นเนี่ยย่ า, พ า, พางผ้าพอนเหตการเหตุงานเท่า พ, พได้เหตนําเพิลนแป๊บสี่โค้ดละนาแข็งเอามาถวายเพิลนให้เพลนเหตการเหตุงาน มันก็นได้บุญน้องเพิินก็อนขันพูอได้อยากได้บุญว่าขันพูอได้ม่อยากได้บุญเงินมาก็มากินตำสมองหุส์หรือกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เมื่อมาอิ่มท้องกันไปก็ดีขึ้นกันนะหลวงพ่อวะหลวงพอ่อหลวงพ่อแนะ่วทั้งสองอย่างเลยเอาเสร็จแล้วยังลกูกหลานเอาดีบๆๆีบเก็บซะมีอะไรเหลือหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟัง แต่ละมือเนี่หลวงพ่อจะว่าแนวความคิดให้ฟังแต่ละมือละมือวะจนกว่าหลวงพ่อจะออกจากบ้านหอยไสย้คนน่ะหลวงพ่อไม่คิดเศ้าเบาแน่เสียงดังไมค่อยๆเฮ็ดวะแต อ, อพร้อมในย่างลูกลานไม่เมื่อพร้อมแล้วก็อยู่ในความสงบเท่เนี่หลวงพ่อจะพูดเรื่องการเรื่องงานให้ฟังเพราะหลวงพ่อมานี่มาเพื่องานของหลวงปู่ไม่ใช่มาเพื่อสนุกสนานมาหากินข้าวต้มขนมนะ เพราะในวัดของหลวงพ่อกันคู่คนแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีใหม่อย่างเนี้ยก็ไม่น้อยเหมือนกันคนที่ไปวัดหลวงพ่อแต่หลวงพ่อทึงวัดหมดถือว่างานหลวงปู่เป็นงานสําคัญหลวงปู่เผาเพียงครั้งเดียวคงจะไม่ได้มาเผาอีกในชั่วชีวิตของหลวงพ่อเพราะนั้นถือว่าหลวงปู่เป็นผู้มีอุปกรารคุณ สำหรับหลวงพ่อเองลูกหลานก็คงจะชินเดียวกันเพดาะนั้นลูกหลานทางหลายน่าคงจะคิดคิดแบบหลวงพ่อขั้นบกที่นี่หลวงพ่อก็ไห้คิดแบบหลวงพ่อคิดเพราะว่าวัดของหลวงพ่อกับโบมมนหน่อยคือกันเนี้อเนื้อทีทั้งพันกว่าไร่พระสงฆ์ทางหลายที่อยู่กับหลวงพ่อกันสี่สิบกว่าองค์มา ในในออฟพระมาทํางานนี่ยยี่สิบกว่านะลูกหลานนะเกือบสามสิบแล้วก็พระผู้เฒ่าไนดะ้ให้ผู้เฒ่าฟอ้อวัดไปพระผู้เฒ่าให้เพื่อนภนาวาเนอะอย่างซิปก็องค์อยู่วัดก็มีพระผู้ใหญ่มีอายุพรรษาเป็นพี่เลี้ยงอยู่ด้วยกันนี่แหละลงพอถิ่มวัดถิ่มว่ามากนะบ๊องนมากหรือความสนุกสนานเนยะ โมเมนทิศอยู่วัดหลวงพอ่อผมมีก๋วยข้าต้มขน้อกินเลยกระโดดมาผี่โมเมนหลวงพอ่อในวัดหลวงพอ่อกินให้ท่องแตกกระแตกดนอิหริห่งกันนะแต่ว่าถือว่าพักคุ้นของหลวงปูนี่เหลือนับคณะบองจา ม, มาทีจะนับบรรย้ายคุ้นของพักขุ้นของหลวงปูใดอจึงได้เสียสละวัดว่าศาสรามาน่ะ ผู้บาอาจารย์หลายองค์เมืองเบืองน้นน่ที่นับนับลงไปนี่เป็นส0บยี่สบองค์จากทั้งทรายลงมือลงพอลงไปนี่ลวนแล 20, ้วจะยี่สยี่บสสบพรรษาทางนั้นไปนับดูสิย่างหน่อยก็บห้าสบหกพรษาพระที่มั่งสวยงาน เวลาเขาไปชุ่มนนับตรงนี้มีพรรษาเท่าไรยี่สิบห้าบังสามสิบบังแต่หลวงพ่อเนี่ยบ้นหลวงพ่ออินเท่าไรนางวนาโมเนะี่ยหลวงพ่อเนี่ยสีนะ่สนะิบเก้าพรรษาลูกหลานนบวชมาสี่สิบเก้าปีค่ะักจะพอผ่าได้แล้วเป็นเลนอีกแปดบเนี่ยเป็นเลนอยู่แปดปีเป็นพระสี่สิบเก้าบวไปรูปบัานเนี่ยเป็นเท่าไรนี่แหละ ชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยยืนยาวนานที่เดียวที่ฝังชีวิตทั้งชีวิตไวในพระพุทธศาสนาเพราะนั่นหลวงพ่อประเดม่งหวังยังต้องการยังต้องการลาบบา่ต้องการยศบ่ต้องการสนะเสริญบ่หลวงปูผู้บายจานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปูจามทา ง, งว่าพวงเข้าได้มาศึกษาดําเพนลนะเออ หลวงปูห่หลาคนดีหลวงปู่จามคนดีหลวงตามหาบัวกนดีหลวงปู่แหวนกนดีที่เป็นคู่บาตรจารย์ของหลวงพ่อที่เคยจําพรรษานงินเพลินล้วนแล้วแต่เศรษฐกิจพ่อเพี้ยงทั้งมดัดเกิดมาหิสางบาล ม, มีอีกปกีหมื่นกี่ปีกี่เดือนก็ตายแล้วนะตายแล้ยออกหยังไปน้ำอะไรสักอย่างขนาดเอาน้าห ม, มากพ้าวแล้วเอาน้าอยังเทหดมือเกิด ทเทถิมุดอ่าบ่มีผลไ้มดบกางหอดมือเจ้าของมาบาราสเจ้าของมาอะมาจังไหนแก่ผามา้าแมน่นบะล็อกแม่นไผนุงสงนุงเสือมาไงนะมาเกิดอแก่เสือแก้ผามา้าบาทาพ่อมาเกิดไงคือมาเนะี่ยมีบานมีเฮืร์ตมีลูกมีเมียมีทรัพสมบัติมีมดเออบางโคตรนะ บาทห้าตายกับบาดเนึ่งเอาน้ามังเผ่าล่างนาเลยกันเนะทศใส่เมื่อแล้วก็จบเอาหยังไปน้ำอะไรสักอย่างองเื่นนั้นขนาดเอาเหรียญหาเหรียญบาทหยัดใส่ปากไปไปหอดผีพระซากับไปค่ายเจ้าหันอีกอกระดูกเจ้าของกระทิ่มอีกแม็นยังแนวด้อาอใอ้พวกเข้าคิดบังนุ๊กลงพอเนี่ยว่าแบบซื้ อ, อเด้บอกให้พวกเข้าได้คิด แวันนี้เป็นวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2556นับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันประชุมเพิงหรือพระราชทานเพิงจรีละของหลวงปู่เราก็ประมาณ9วัน9วันนี้ก็ ขอให้พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความสนใจคิดดีทำดีพูดดีบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายจะหาได้ที่ไหนที่พวกเราจะได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทิตาในพระคุณขององค์หลวงปู่ที่ท่าน มีเมตตาต่อทุกคนพวกเราเห็นไหมอายุถึงร้อยกว่าปีลูกหลานมาท่านก็เอาไม้เท้าคอเคาะหัวให้ท่านเกิดเสกคาถาจมกาถาพุ่มพุ่ม พ, ม พ, มพมอมพมในองค์ของท่านโดยตัวนแลจะมีเมตตาทั้งนั้นาบางทีผู้ชายเขามากักเอาเอ า, เอามือจับหัวให้แล้วก็ ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพท่านก็แผ่พลังจิตให้กับลูกกับหลานทุกผู่ทุกคนพวกเราก็เพิ่มปีติยินดีล้ำลึกถึงองค์หลวงปู่ไม่เคยลืมเพราะหลวงปู่มีเมตตาเพราะนั้นในเมื่อหลวงปู่มรณภาพลงไปแล้วพวกเราควรจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์หลวงปู่ของพวกเรา การที่จะได้ลัดได้เปรียบได้เงินได้ทองมาสแสวงหาราบยศในงานของหลวงปู่ไม่น่าจะคิดถ้าคิดอย่างนั้นเป็นอกุศลเป็นบาปในจิตในใจมากกว่านั้นบางคนอิดชากันท่นอิจชาตาเหลือกันแต่ตาไม่จริงไม่น่าจะอิจชาทำงานชีกหน้าคนนั้นชีกหน้าคนนี้แต่สำหรับหลวงพ่ออินแล้ว หลวงพ่ออินอยกธงขาวถ้าใครจะเอาเปรียบใครอยากจะได้เปรียบหลวงพ่ออินบอกมาเลยหลวงพ่อจะยกธงขาวยอมแพ้กับทุกคนพระพุทธเจ้าเห็นไหมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานท่านขึ้นไปทอด อ, อยู่ที่เมืองเวสาลีทอดสายตายู่เมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายเอเวสาลีเอ้ยเราจะไม่ได้มา เกิดอีแล้วต่อไปนี่ไงอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ต่างคนก็ต่างอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่ากระดูกตัวเองก็เอาไปด้วยไม่ได้เราจะไปพยองพองตนให้งโง่ทำไมสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมสิ่งไหนที่มันถูกต้องสิ่งไหนจะเป็นบุญกุศลก็ควรจะทำสิ่งนั้นถ้าหาว่าสิ่งไหนก็ตามที่เป็นบาปอากุศลก็ไม่ควรจะ คิดจะทำในจุดนั้นเพราะบาปอากุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี้ว่าใดๆ ใ, ใ, ในโลกล้วนอนิจจังคงเหลือแต่บาปบุญอย่างเที่ยงแท้บาปกับบุญจะติดจิตติดใจของพวกเราไปนานเท่านานพระในครั้งพระพุทธเจ้าที่อิจฉาองค์อื่นผลที่สุวคนนั้น บาปกรรมตามสนองตัวเองคือพระภิกษุองค์หนึ่งท่านอยู่ในป่าตามลำพังอยู่ในป่าตามลำพังคือภาวนาอยู่องค์เดียวเทนี้พอต่อมาเนี่ยโยมอุปถาก็เป็นคนมีฐานะดีเป็นคนรวยอุปธรรมประทากก็ให้ท่านสบายภาวนาต้องการอะไรท่านประวัลนาหมดทุกอย่าง ต่อมาอีกมีกกพระองค์หนึ่งมาทึนี่มาเข้ามาคล้ายๆว่าเดินทุโรงมาก็มาแวะเวียนมาเยี่ยมพอมาหาองค์นั้นองค์ที่อยู่เป็นเจ้าอาวาสเก่าแต่เจ้าอาวาสเก่าพอมาแล้วก็พระโยมอุปถากของวัดเก็เลยไปเห็นไปเห็นกันอยู่ด้วยกันสององค์องค์ที่เดินทางมาเนี่ยก็ผมยาว ผมไม่ได้ปรงผมหาบิดโกนไม่ได้ก็พร้อมกันกับภาายีวรคล้ำคล้ามอมแแมมแต่กิริยามารยาทขององค์ท่านนี่น่าเคารพน่านับถือเลื่อมใสโยมอุปถาคนนี้ก็เลยบอกว่าพระคุณท่านเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปที่บ้านโยมนะได้ไปโปรงผมเดี๋ยวผมจะถวาย จากนั้นเจ้าโจงคนนี้ก็เอาถวายผ้าจีบอลถวายบริขารให้บริบูรณ์แต่เจ้าของวัดเจ้าของเจ้าอาวาสมองเห็นแล้วตาเหลือบอิดช้าเลยี่อนบอกวันนี้ถ้าหากว่าพระองค์นี้อยู่กับเราอีกต่อไปเนี่ยโยมอุปถัมภ์ของเราเนี่ยก็คงจะเข้ากับองค์นี้พอดูดูแล้วนับถือเลื่อมใสกันเหลือเกินจนมองไม่เห็นตัวของเราฮะ ความอิจฉาเกิดขึ้นมาได้แล้วนะท่นเอจากท่านพระองค์นี้ก็เลย เ, เขาให้โยมาปลงผมให้พอปลงผมให้แล้วก็ถวายผ้าจีวรแล้วก็ถวายที่นอนแต่ตามไม่จริงองค์ที่วัดเขาก็ถวายอยู่แล้วเขาก็ดูอยู่แล้วไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเขาก็ถวายอยู่มีอะไรขาดเหลือแต่ความอิจฉาในใจมันมีเลยนี่ยหลาพระอิจฉาพระคนะ ผลนียสูตรของพระ อ, องค์นี้ก็เลยก็อยู่อยู่ที่นั่นแหละแต่องค์ที่มาใหม่ี่เป็นพระอรหรันต์แล้วสิท่านหมดจดจากกิเลสแล้วแต่องค์อยู่เก่าี่เป็นพระปุตชนอยู่เนี่ยพลยังอิจฉาอยู่ท่านแต่จากนั้นมาก็โยมคนนี้กระบอกขอากาศพระคุณท่านทั้งสองวันพรุ่งนี้ที่พลไปฉันที่บ้านกับผมนอะจะได้เวลาแล้วก็ขอนิมนต์ ก็ผมจ ะ, ะเตรียมอาหารเอาไว้เพื่อจะถวายประคุณท่านแต่นี้พระสองสององค์เนี่ยรับรับบิดเทรับอาาธนาของอุบาสกที่โยมอุปถรัรมปถากวัดพอต่อมาทีนี้กลางคืนนั่นนะในกลางคืนนะพระเจ้าของเจ้าอาวาสอิจฉาดึกโอ้ท่าว่าพระองค์นี้ไปฉันที่บ้านโยม โยมก็คงจะนับถือเลื่อมใสเราก็คงจะแย่คงจะหลุดออกจากสายตาของเขาลักษณะอย่างนั้นแหละคิดคุ้นคิดอยู่ทั้งคืนเราจะการแกล้งพระองค์นี้ได้ยังไงไม่ให้ไปบินทบาทบ้านโยมนะ่ะอก็คิดตอนนี้พระอรหรนันต์ท่านมองดูท่านก็รู้แล้วท่านโอ้พระองค์นิธ า, าว่าเราอยู่ที่นี่ต่อไปองค์นี้มันจะเป็น มันจะเป็นพิษเป็นภัยจะเป็นบาปกับกรรมของเขาเลยนี่ท่านก็เลยหนีกลางคืนนะอท่านก็หนีออกไปกลางคืนเลยพอพงศ์ในเช้ามาพระองค์ก็ให้สัญญาไปบิณฑบาตตีละครั้งตามปกติต้องตีละครั้งป้องป้องป้องป้อง้องเอาไม้เคาะเนี่ยแต่นี้ก็เอานิ้วมือดีใช่ไหมเอาเทีมดต้อต้องต้องต้องตอเพื่อจะไม่ให้องค์นั้นได้ยินนะฮะจากนั้นก็ไปบิณฑบาตเลย อพอไปปินถวาวรแล้วก็ไปถึงบ้านโยมโยมก็ถามเอา้าพระคุณท่านอาทําไ ม, ไม่เห็นพระที่นิมนต์มาด้วยเมื่อวานมานด่วยมาฉันด้วยเอ้ยพระที่ไหนโคโรโกโซตก็ไม่รู้หรอกมานอนนอนไม่ตื่นใครฆ่าแบบจิงไหนที่มันไม่ดีก็โยนให้พระองค์นั้นทั้งหมดเหมือนกันเออทางโยมคนนี้ก็เลยบอกว่าเออท่าน ถึงอย่างไรก็ตามท่านองค์นั้นคงท่านคงจะนมาเหนื่อยผมฝากอาหารไปให้ท่านฉันด้วยนะนี่ที่ท่านมาก็มาฉันจ้ะพอฉันเสร็จแล้วผมขอฝากไปถวายท่านด้วยเมื่อท่านไม่ได้มาท่านอาจจะนอนตื่นสายก็ได้เพราะท่านเหนื่อยอันนี้คือญาติโยมเจตนาดีฮ้ยเขาก็ใส่บาตรให้เอาบาตรเอาอาหารใส่บาตรเสร็จแล้ว่พระองค์นี้ก็เดินมาอถ้าหากว่าเราเอาอาหารที่ในบาตรไปให้ พระองค์นั้นจันเดี๋ยวอาหารมาันก็จิติดจิตติดใจอีกเพราะว่าอาหารโยมอาหารดีมากเลย เ, เดี๋ยวก็จะไม่นีจจากวัดเราอีกเราไม่ควรจะให้อาหารไปก็เลยเททิ้งพระองค์ที่มาใหม่ควรจะกินขี้ซะมากกว่านะะพูดอย่างนั้นอีเด็ดเลอไม่ควรจะกินอาหารดีๆอย่างนี้ควรจะกินขี้มากกว่าไม่ต้องเอาให้ละผมก็เหมือนกันะน่าจะถอนด้วยเส้นตาล พันๆแล้วก็ดึงออกมันจึงจะได้ผ้าก็เหมือนกันเนี่ยไม่ควรจะใช้ผ้าดีๆควรจะเปลือยกายนี่พระอย่างนี้เนี่ยความอิจฉ้าของผ้าเนอ่ยจากนั้นก็พอคิดเสร็จแล้วก็กลับไปถึงวัดพอกลับไปถึงวัดไม่เห็นพระนั่นเดินๆไปดูไม่เห็นผ้าพอไม่เห็นผ้าโอ้โหแสดงว่าพระองค์ที่มาเมื่อวานเนี่ยท่านต้องรู้จิต รู้ใจของเราใช่แล้วเนี่ยท่านต้องเป็นพระอารหรันใ็จแล้วเนี่ยท่านหนีไปแล้วนะจากนั้นพระองค์นี้ก็เลยไม่สบายใจเนี่ไม่สบายใจพอจากนั้นมาก็ตัวเองก็เลยพออายุไม่ได้สำเร็จมรรคไม่ได้สำเร็จผลในชาตินั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปาดจากนั้นก็เลยตายพอตายใ็จแล้วเนี่ลงไปสู่ เอเวจีมหานรกนะเนี่ยพอเกิดมาพบนิชาตินี้เกิดมาอีกเด็ก ต, ตัวเองก็เป็นพระบําบเพ็ญนะพอมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วแต่เป็นเด็กอกินตะขี่ตัวเองแต่นะอพอมันจับมาพอถ่ายมาพอรุปเดียงสากินใจขึ้นมาก็กินตะขี่ตัวเองไม่ชอบหนุ่มภายต่างหากเท่นะั้ เขานุ่งผ้าไม่เอาเปื่อยกายไม่ไม่เอาไม่นุ่งผ้าแล้วก็กินขี้ตัวเองพ่อแม่โอ้ไม่ได้รูข้องเราเนะี่ยดูดูแล้วมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆึงยังนิสัยเก่ากินขี้ตัวเองกับไม่นุ่งผ้าแต่เน่ก็เลยเอาไปฝากให้ชีเปลยบ้างเพราะพวกไม่นุ่งผ้ามันมีได้ในอินเดียเหมอบไปเหมาะไชีเปลย ชีเปลือกเออเพราะเป็นคนมีตระกูลเนี่เป็นคนที่รวยเอารับพอรับมาเสร็จแล้วก็ชีเปลือยก็ถอนผมเ่ยเอาเช้นตาลพร้อมที่เขาตัวเองประมาทกับพระอรหันต์ไว้นั่นเออเอาขุดหลุมลงไปแล้วก็ให้โผขึ้นเตก บ, บนแค่คอแล้วเอาไม้ค้ำบนบาแล้วก็ขึ้นไปนั่งนะจะถอนถอนผมนจนผมเลย หนังหัวดังแดงเถืะไปหมดแล้วงั้นถอนผมด้วยเส้นตาลเนี่แหละบาปกรรมตัวนั้นอ่จากนั้นก็เขาก็ให้อยู่ในสำนักของเขาละชีเปือยต่างคนกับต่างแก้ผ้าเหมือนกันะ่ะถ้าใครไปประเทศอินเดียจะเห็นอ่ะฉีเปือยไม่มีผ้าจากนั้นก็พ่ออยู่มาไถอเลยแต่ฉีเปือยเขามากินขี้ได้ปะ่ะเนี่ยแต่ชีเปือยใหม่นี่แปล ก, ก่เพื่อนเลย ทีแรกก็กินกินข้าวบ้างต่อมาไม่ไม่เห็นไปไปไปปินทบาทเหมือนกับชีเปลยององค์อื่นเขานะเ อ, อ็บอกหมูไปเอ้ยไปกินไปปินทบาทไหมผมไม่ไปหรอก อ, อผมจะอยู่ที่วัดอยู่นานเข้านานเข้าเอกผูน้นี่เ อ, อบันกินอะไรวะมันทำไมจึงอยู่ได้เขาก็เลยให้พวกชีเปลย อ, อ, อตัวหนุ่มนะ่ะ สอดแนมดูว่ามันทําอะไรมันกินอะไรวะเ อ, อ่พอตอนเช้ามาแต่เนี่ยพอไปปิ้นพระปิ้นธบาัตไอ้ชีเปื่อยปิ้นธบาตหมดแต่นี้ยก็กองแกงลงไปจากกุฏิตัวเองนู่นเข้าไปในห้องส้วมปวนะ่ะส้วมสมัยก่อนไม่ใช่ใส่ส้วมซึมอย่างทุกวันนี้เป็นส้วมปล่อยใช่ไหมลงมุดลงไปนู่นไปกินขี้ที่พวกชีเปื่อยขี้ไว้ในกองเนะเอยพวกนั้นก็เห็นเอ๊ะแปลกแล้ว ก็เลยมาบอกให้คณะาจารย์เขาคณะาจารย์ว่าไม่ได้ถ้าคืนเอาไว้ที่นี่ไม่ได้จีบหายแนย่แ น, นเ่เพราะว่าชีเปลยไปหากินขี้อย่างนี้มันออกไปได้ยินใครได้ยินไปที่ไหนขายหน้าสำนักไปไล่มันออกก็เลยไล่ชีเปืยใหม่ออกไปอพอออกไปเสร็จแล้วก็ชีเปืเยหนึงออกไปเอ๊เราจะไปหาอยู่ที่ไหนแอก็เลยไป อยู่ในเตขตแขวงกรุงพระราชสีมามันเป็นโขดหินอยู่หน้าผาฮะตรงนี้แหละคน เ, เมืองอิเดียเขามาขี่ทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมนะที่ในที่เขาทายเขาไม่มีส่วมใช่ไหมใครมากับมาขี่ลงเหวนะ่ะท่านเลยตรงนี้ ห, หากินได้ง่ายใช่ไหมใช่ไหมชีเปลือยจะเนียวกนันนะอผัวในสูขไปก็ไปอยู่ที่นั่นไปทําทาบบำเพนตะปะ คนทั้งหลายก็เห็นไม่นุ่งผ้าอีกต่างหากแล้วก็ยืนขาเดียวอีกต่างหากนะทีนี้ทท่าเป็นผู้มีตปะยืนขาเดียวแล้วก็วาแขนอีกแล้วก็อ้าปากแล้วหลับตาอีกอ้าปากคนถามว่าท่านเป็นไงท่านชีเปลยท่านจึงทำอย่างนี้โอ้เราตะปะของเราเข้มแข็งถ้าเราเหยียบลงแผ่นดินสองขาเนี่ยแผ่นดินจะถอยถล่มเลยละ่ะเพราะนั้นข้าพเจ้าเหยียบเพียง ขาเดียวเอาทำไมที่ท่านจิงวาวาแขนเราเห็นไหมเรากินแต่ลมเท่านั้นละเราไม่กินอย่างอื่นแล้วเรากินแต่ลมก็เราคยอยู่ได้ไม่ต้องกินอาหารเนี่ยเพราะเราบําเพ็ญตะปาโอ้คนทั้งหลายได้ยินชีเปือยพูดอย่างกต่างคนต่างเอาเข้ามาเอาของอะไรมาให้ถ้าใครเอาน้ำพึ่งอะไรมาให้กันนี่ถ้าจะให้อยากจะได้บุญก็มา เอาปลายหญ้านะี่ปาย้าคาเนะี่ยจุ่มลงไปหน่อยหนึ่งเอาเข้าปากกินท่านเอากินท่านีเพาะไม่ต้องกินอะไรมากฮนะเนี่นแหละพอตกกลางคืนมาออท่านก็พอคนหมดไปแล้วเนะี่ยก็นั่นหแหละเออก้องแกงลงไปไปหากินขี้เขาที่เขาขี้ยุน่นตามก้อนหินตามหน้าผาเนะี่ะเออนี่แหละ อันนี้ที่เราชื่อเปลือยตอนนี้ชื่อว่าไงหลวงพ่อนีชื่อจำพูกะนะชื่อจมพูกะฮนี่แหละจำพูกะตัวนี้ก็กินเค้อย่างนั้นล่ะตอนนี้พอต่อมาพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่ที่กรุงราชสักข์ยวัดปาเวลุวันท่านมองเห็นเออจมพูกะเนี่ยเขาก็มีบุญบารมีเก่า พอเขาเคยบวชมาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะบำเพ็ญมานมนานแต่บาปกรรมของเขาเนี่ยก็คือเขาอิจฉาพระหรหันต์เขาจึงได้รับบาปกันกรรมหนักถึงขนาดนี้เอาเถอะบุญของเขาก็มีบาปของเขาก็มีแต่เขาคงคงจะชินบาปละละแล้วล่ะเราควรจะไปหาเขาพระพุทธเจ้าจะไปโปรดแล้วท่านนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั่งตอนใกล้ลุง เมือมองดูเห็นสัมภูกะเข้ามาในข่ายคือพยานคือพยานก็คือเข้ามาในจอเรดาร์ของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าจวนจะสว่างแต่ละวันพระพุทธเจ้าสายเรดาร์คือสายใจไปว่าใครจะเข้ามาในจอจะได้ไปโปรดใครใครจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างนี้เป็นต้นตอนตนี้ก็พอสายเรดาร์ไปกับไปเห็นสัมภูกะเข้ามาในข่ายคือพยาน เออเราจะได้ไปโปรดสัมภูการนะพระโงศ์อกวเออวันนี้เราจะได้ไปออหาทีออ่สันเขาชัยกรุงราชจะคือที่สัมภูผูกาอยู่เออท่าพระองค์ก็บอกแต่นี้เทวดาทั้งหลายเพราะตรงนั้นเป็นตรงที่ศกกรโลงที่คนไปขี่ทั่วบ้านทั่วเมืองฮ่เ อ, อ่อแต่นี้พอเทวดาพระอินทร์ได้ยินทท่านั้น เทฝน ล, ลงมาจากท้องฟ้าเลยเนี่ยล้างตรงนั้นให้สะอาดจากนั้นพระองค์ก็ไปพอไปถึงเนี่ยเห็นสัมภูกะยืนว่าแขนยืนขาเดียวว่าแขนกินลมอยู่พระองค์บอกว่าเอ้าสัมผูกะจะให้เราพักที่ไหนสัมภูกะโอ้ที่นี่ไม่มีที่พักพระองค์บอกว่าเอ้าเราเป็นนักพจนักบวชเหมือนกันกับท่าน ท่านต้องมีน้ำใจถ้าเรามาหาท่านตรงตอนรับเราไม่มีที่พักให้เราเลยเนี่ยมันไม่ถูกนะซัมภูกะเออทางนั้นนะไปพั ก, พ, กพักในเงื่อมหินก็ได้นะอให้พักห่างๆตัวเองเพราะตัวเองจะได้อ <c ười> กินอาหารตอนเย็นมั้งนั่นเองจากนั้นพุทองค์กอไปทําภูกะเธอทําอะไรทําบําเพ็ญตระปักครับออสมณะโครมข้าพเจ้ายืนขาเดียวถ้ายืนสองขาเนี่ย แผ่นดีนมันจะถล่มแล้วก็ว่าแขนกินลมเท่านั้นข้าไม่กินอย่างอื่นพระโอษ์บอกว่าซัมพูกะเธอโกหกคนอื่นโกหกได้แต่โกหกเราตะคาคตเนี่ยโกหกไม่ได้นะสัมพูกะเธอไปกินขี้ทุกเย็ น, นกลางคื น, นใช่หรือไม่พว่าเท่านั้นแะเอใครเขาแขนในี่ตกเลยว่าไงขาอ่อนเลยทีนี้ เธอจอะโกหกเรานะเรารู้ว่าเธอทำอะไรจากนั้นซัมผูกะคาบผมเธอทำบาปกรรมแล้วเธออย่าไปทำบาปกรรมต่ออีกนะซัาผูกะอย่าไปโกหกต่ออีกบาปกรรมของเธอที่ทำมาแล้วก็เพียงพอแล้วล่ะใช้บาปกรรมตัวนี้ให้เธอตั้งใจใหม่นะเอาฟังเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังใหนง้นั่งฟังซัมผูกะก็นั่งปน ม, มือ พระองค์ก็เทศอริยสนนัจอนิจังทุกขังอนัตตาจนสำภูกะได้สําเร็จเป็นพระอรหันตะ์ทำเสร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเอกต่างหากพกระองค์ก็บอกบวชเอหิภิกข u ให้เอหิภิกข u อุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดรำและวินยัยเรากล่าวไว้ดีแล้วบริขารลอยมาในอากาศมาสวมใส่สมภูกะเป็นพระภิกษุ ผมก็ล่วงหล่นเป็นเหมือนกับผมปงเหมือนผมปงแล้วอย่างนั้นนะแต่เนี่พอพวกนี้เช้าทีนี่พวกบริวารของสัมผูกะก็ล่างไหลมาแล้วพอมาเห็นเห็นสัมผูกะนั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เลยสงสัยเออสัมผูกะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครแน่กว่ากันเออทาไมจึงมานั่งอย่างนี้เออพระองค์ก็บอกว่าสัมภูกะ เขาสงสัยเธอนะว่าเธอกับเรานี่ใครเป็นครูบาอาจารย์กันแน่เพราะนั้นเธอต้องแสดงฤทธิ์ให้เขาฟังให้เขาดูคับผมพอจากนั้นมาซัมผูกากราบพระพุทธเจ้าพอกราบเสร็จแล้วก็แสดงฤทธิห์หาะขึ้นไปในชั่วต้นตาลหนึ่งและก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าขึ้นไปอีกชั่วสองต้นตาลลงมากราบอีก ขึ้นไปอีกถึงสต้นสามต้นตาลสามชั่วต้นตาลลงมากราบพระพุทธเจ้าจากนั้นประกาศเลยว่าพระพุทธเจ้าสมณะโครมเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของสมณะโครม พ, รพุทธเจ้านี่แหละอันนี้ก็จากนั้นก็พระพุทธองค์เสด็จกลับมือซัมภูกาก็เดินตามหลังเพราะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วแต่นิพระสุ์ทั้งหลายเขาก็บอกว่าเอ้ซัมภูกาเนี่ เขาทำบาปกรรมอะไรอันไหนไว้หนอมาใช้กรรมได้กินขี้ตัวเองมาอยู่อย่างนี้ไม่มีเมื่อเป็นชีเปลืยพระพุทองค์บอกว่าอยากจะฟังเหรอบุปกรรมของสัมภูกาจากนั้นพระองค์ก็ได้เทศให้ฟังว่าเนี่ยอดีตในชาติของสัมภูกาเนี่ยเป็นผู้อิจฉาคนอื่นแล้วเป็นอิจฉาพระอรหันต์อีกต่างหากเขาก็เลยได้ใช้กรรมอย่างหนักนี่แหละดูก่อนสงทั้งหลาย การอิจฉ้ากันเป็นหนทางแห่งความชิบหายเป็นหนทางแห่งไปสู่นรกนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะทาญาติโยมทั้งหลายเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้พูดเรื่องพระเทวทัตต้นต่อของพระเทวทัตอิจฉาพระพุทธเจ้าผูกพยาบาทอาฆาตกันพ่อค้าทองสองคนแต่วันนี้หลวงพ่อได้พูดสัมปู ก, กะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟัง ให้พวกเราไปอ่านดูนะหนังสือที่หลวงพ่อได้อ่านเนี่ยคื อ, อยุบมาในพระไรรระตรปิฎกทำมัปปัฏฐากถานะเอาไปอ่านเลยแปดเล่มน่ยไม่จุดใดก็จุดหนึ่งชื่อพระสัมภูกระนะนพวกเราท่านทั้งหลายได้อ่านก็จะรู้เพราะนั้นหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาในธรรมคําสอนก็มาบอกมากล่าวให้กับพวกเราคณะทัตธาญาตโยมพระเนนทุกองค์ให้สํารวมระวัง โลกคนนี้มันไม่ใช่โลกของเราเราอีกสักวันหนึ่งต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างตายไปบุญของใครบุญของเราถ้าว่าทำกรรมอันไหนไว้พวกเราทำกรรมดีไปแล้วมันจะไปไหนบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่พวกเราทำกรรมชั่วไปแล้วอติเลขาลาบจะมากได้ยังไงพระสิวคลีทำไมเหนือกว่าภิกษุทั้งหลาย พระโมกคลาภาษาลิบุตรทาไมเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้ากันล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลของท่านที่ได้บําเพ็ญมานะต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อพูดเสียเยอดยาวลูกหลานก็พระเนรก็คงจะหิวอาหารนะแต่อดเอาสักหน่อยนะลูกหลานนะเอาหลวงพ่อเอาอาหารใจเข้าสู่ใจของพวกลูกหลานให้เป็นแนวความคิดและเรื่องอาหารกายอีกต่อไปเราจะได้กินทุกวันทุกวันนี่แหละนะต่อเ น, นี้ไปรับผ่อนนะรสนิรนามนาัสตายาดโยม